กามนิตฟังไม่เข้าใจใจมันยอมรับไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนถึงไตรลักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความรักก็มีความทุกข์นะเพราะว่าความรักก็ยังเป็นของแปรปรวนอะไรเลยนะียมันฝืนความรู้สึกมากเลยสิ่งที่กามนิสแสวงหากามนิสแสวงหาก็กากาอย่างพวกเรานี่แหละเราสแสวงหากาม <S <S <S <S เขาตั้งชื่อดีนะ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 ธรรมะของพ่อกับลูกของแม่กับลูกนะของลูกกับพ่อแม่ของสามีภันยะาธรรมะระหว่างเพื่อนฝูงนะระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชานะมีหมดเลยนะธรรมะที่จะทําให้ร่ํารวยอย่างมีเลยนะี่น า, นานาชนิดนะยิ่งธรรมะที่ท่านสอนนะกว้างขวางมากคนส่วนน้อยหรอกที่จะภาวนานะไปสู่ความพ้นทุกข์ท่านถึงจะสอนธรรมะที่ประณีตสูงขึ้นไป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 ขยันของปีนี้แล้วก็ใช้หมดไปแล้วรับผลประโยชน์หมดไปแล้วต้องทำกันใหม่เพืนะ่อปลูกข้าวนะทำนาเหน็ดเหนื่อยแทบตายได้ข้าวมาเอาไปขายเอาไปกินหมดไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำใหม่นะในโลกที่เป็นอย่างนั้นมันมีแต่ของหมดไปเรื่อยๆคนที่ไม่ประมาทจ้ เ, เห็นโทษของโลกนะว่าโลกนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริง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 ฟังอะไรให้เข้าใจฟังวิธีปฏิบัติให้เข้าใจซะก่อน ร, รู้วิธีปฏิบัติแล้วรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรเราก็ลงมือปฏิบัติไม่เคว้งคว้างไม่ลาบากเกินไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรไม่รู้ว่าทำอย่างไรก็สเปสะปะม้วบซัวไปเรื่อยเทวานามา10ปี20ปีก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นยังจะภูมิใจอีกนะบางคน่ะเทวนาตั้ง 20- 30, 30ปีก็เหมือนเหมือนเดิมนะ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 งันวิธีฝึกสมาธินะที่ง่ายที่สุดเลยรู้ทันจิตที่ฟุงสส้งซ่านไว้แต่อย่าไปฟุ้งซ่านซ้อนเข้าไปอีกนะเห็นมันฟุ้งซ่านบ่อยๆโมโหมันอีกเมื่อไหร่จะเลิกฟุ้งวะหรือหาวิธีใหญ่เมื่อไหร่ทํายังไงมันะจะไม่ฟุ้งทําไงจะไม่ฟ uh, ุ้งคิดแต่จะทำอ่ะถ้ารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านสติระลึกรู้ไว้จิตฟุ้งซ่านฟุ๊บขาดเลยก็ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดูไปสติระลึกรู้รูปลงปัจจุบันด้วยจิตตั้งมั่นนะ